ตัวคืออัตตามีหรือไม่มีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งยังไม่ต้องตองตั้งข้อสงสัยในตอนนี้ก็เป็นเพียงว่าต้องการที่จะปฏิบัติสำหรับตั้งสติตัวกําหนดนั่นเป็นสติตัวรู้ตัวรู้ตัวก็คือรู้ว่าเราเราเนี่ยคือตัวเราให้ใจเข้าเราให้ใจออก นี่เป็นสัมปชัญญะและเมื่อรู้ตัวอยู่ดังนี้แน่นเขา่าคือแปลว่าสัมปชัญญะแน่นเขา่าตัวกำหนดซึ่งเป็นตัวสตินั้นก็ยอมตั้งอยู่และเมื่อมีความรู้ ตั้งอยู่ดังนี้ก็คือว่าจิตตั้งอยู่และอาการที่จิตตั้งอยู่ดังนี้แหละเรียกว่าสมาธิที่เรียกกันว่าตั้งจิตมัน่นต้องต้องมีคำว่ามั่นด้วยก็คือว่าไม่เชย ต, ตั้งล้มตั้งล้มซึ่งในการปฏิบัติเริ่มทำสมาธินั้น อยู่ในลักษณะที่ว่าตั้งล้มตั้งล้มล้มลุกคลุกคลานเป็นการตั้งไม่มันแต่เมื่อปฏิบัติอยู่บ่อยๆให้สติที่เป็นตัวกำหนดแข็งแรงขึ้นสัมปัญญะญคือรู้ตัว แข็งแรงขึ้นหรือว่าลึกขึ้นดังนี้ก็ตังมันมากขึ้นเมื่อตังมันมากขึ้นสมาธิก็ดีขึ้น คือว่าจิตตั้งมัน่นมั่นมากเขาไม่ล้มลุกคลุกคลานไม่ตั้งล้มตั้งล้มอยู่บ่อยๆแปลว่าตั้งแล้วก็ติดติดนั่นเขานั่นพอสมควรก็เป็นอุปจารสมาธินั่นทีเดียวไม่ล้ม อยู่นานๆก็เข้าเขตเป็นอปปนาสมาธิซึ่งในอปปนาในอปปนาสมาธินี้ที่แรกก็จะต้องมีตัวกำหนด ตัวกาหนดอยู่ในอารมณ์ของสมาธิเมื่อทำอาณาปานสติก็จะต้องมีความกําหนดหรือตัวกําหนดอยู่ในลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกอันเรียกววิตกวิจาร์ วิตกนั้นมักแปลกันมักแปลกันว่าความตรึกวิจาร์นั้นมักแปลกันว่าความตรองแต่ว่าวิตกวิจารที่เป็นองค์ของสมาธิอธิบายว่า อาการที่ตั้งจิตไว้ในอารมณ์คือยกเอาจิตมาตั้งไว้ในอารมณ์หรือจะเรียกว่ารกยกอารมณ์ตั้งไว้ในจิตก็ได้หรือว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์ เรียกว่าวิตกประคองจิตให้ตั้งอยู่เรียกว่าวิจาร์อาการที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์และประคองจิตไว้ในอารมณ์ ทั้งสองนี้ต้องใช้อยู่เป็นประจำผูปฏิบัติย่อมจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเมื่อทำสมาธิ ทำอาณาปานสติเป็นตัวอย่างก็ต้องน้อมจิตเข้าสู่อารมณ์คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือตั้งกาหนดอารมณ์คือตั้งกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก จิตนี้เคยคิดไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้อื่นแต่เมื่อจะทำอาตาอาณาปานสติก็ต้องตั้งจิตกำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกดังนี้คือวิตกและก็ต้องคอยประคองจิตไว้มให้หลุดเรียกวิจาร์ เราวนี่เมื่อจิตหลุดออกไปรู้ว่าจิตหลุดออกไปก็ น, นำจิตเข้ามาตั้งไว้ใหม่ก็เป็นวิตกแล้วคอยประคองไว้อีกก็เป็นวิจารทาสมาธิใ ห, หม่ใหม่ ต้องใช้วิตกวิจารณ์ทั้งสองนี้อยู่เป็นประจำจะทิ้งเสียมิได้ทิ้งเสียเมื่อใดก็คือว่าต้องเลิกสมาธิกันเมื่อนั้นแต่เมื่อจะทำสมาธิต่อไป ก็ต้องใช้วิตกวิจาร์ทั้งคู่นี้ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าจิตล้มลกุกครุกครานอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็นต้องใช้วิตกวิจาร์คือจับจิตมาตั้งไว้ใหม่แล้วคอยประคองไว้ใหม่ หลดไปอีกก็จับจิตมาตั้งไว้ใหม่แล้วประคองไว้ใหม่อยู่ดังนี้และเมื่อไม่ละความเพียรจิตก็จะเชื่องเข้าสงบเข้าท่านจึง มีอุปมาไว้ว่าเหมือนอย่างเอาเชือกโคลูกโคไว้กับหลักโดยที่ให้มี ระยะห่างจากหลักพอสมควรลูกโคที่ถูกโูกนั่นต้องการจะให้หลุดจากเครื่องโูกก็จะต้องวิ่งออกไปเมื่อวิ่งออกไปจนสุดเชือก ที่อยู่ในระหว่างหลักกับตัวลูกโคก็ติดอยู่แค่นั้นแล้วลูกโคก็จะวิ่งแต่เมื่อวิ่งนั้นก็วิ่งออกไปไม่ได้เพราะมีเชือกผูกอยู่วิ่งออกไปได้แค่สุดเชือกก็ต้องวิ่งวนหลักอยู่นั่นแหละจนในที่สุดลูกโคนั้นจะเหนื่อย เหน่ยก็ต้องมานอนหมอบอยู่กับหลักนั่นเองจิตก็เป็นเช่นนั้นเมื่อจับโขกไว้ที่หลักคืออารมณ์ของสมาธิดังเช่นลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกก็จะวิ่งออกจากหลักคืออารมณ์ของสมาธิ แต่ว่ามีสติคอยผูกอยู่ก็จะวิ่งออกไปได้ไม่ไกลสติก็จะนำเข้ามาสู่หลักใหม่ก็คือตัววิตกวิจารนี้เองซึ่งเป็นอาการของสติในขั้นเริ่มปฏิบัติวิตกวิจารนี้เป็นอาการของสตินั่นเอง ที่คอยนำจิตเข้าสู่อารมณ์ของสมาธิและคอยประคองเอาไว้หลุดออกไปก็นำเข้ามาใหม่คอยประคองไว้ใหม่ก็ต้องต่อสู้กันอยู่ดังนี้จนจิตจะเชื่องเขา้าโดยที่บุคคลไม่ละความเพียรในการปฏิบัติ จิตก็จะสงบเข้าความนิ่นรนของจิตก็จะน้อยลงและเมื่อเป็นดังนี้ก็จะได้ปีติได้สุขในการปฏิบัติปีติคือความอิ่มใจสุขคือความสบาย สบายกายสบายใจปีติก็มีลักษณะต่างๆอย่างเบาอย่างปานกลางอย่างแรงสุขก็เช่นเดียวกันซึ่งผู้ปฏิบัติย่อมจะได้เองในเมื่อจิตสงบก็จะได้ปีติได้สุขขึ้นมา และเมื่อในปีติได้สุขขึ้นมาก็คือจิตได้ปีติได้สุขจากสมาธิจิตจึงจะเริ่มนั่งสงบอยู่ในปีติในสุขเพราะสบายเสียแล้ว ความริ่นรนออกไปไหนก็จะน้อยเข้าเพราะว่าจิตนี้ก็ต้องการปีติต้องการสุขมาหล่อเลี้ยงผู้ปฏิบัติก็จะพิจารณาเห็นได้เองว่าจิตที่ไม่สงบในขณะเริ่มปฏิบัตินั้น ไม่ได้ปีติไม่ได้สุขในการปฏิบัติแต่ว่าได้ความกระสับกระส่ายความฟุง้งซ่านเรียกว่าได้ทุกจากการทำสมาธินั่นเองจิตไม่ได้ปีติไม่ได้สุขจากการทำสมาธิ จิตจึงวิ่งออกไปหาอารมณ์ที่จะทำให้ได้รับความสบายกบรรณาอารมณ์ที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายนี่แหละเป็นที่หนึ่งอันเรียกว่ากามาคุณอารมณ์เพราะว่าเมื่อจิต เข้าไปสู่การมคุณารมณ์ต่างๆแล้วจิตมีความสบายเพราะเหตุว่ามีความรักใคร่ปรารถนาพอใจเมื่อไปพบกับสิ่งที่นานรักาปรารถนาพอใจจิตจึงวิ่งออกไปหาสิ่งนั้นจิตพอใจที่จะได้ความสบายความสุข ก็ไปหาสิ่งที่จะให้ความสบายความสุขก็คือกามกคุณอารมณ์แต่ยังไม่ได้สุขจากสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติทำสมาธิมันก็ร้อนรุ่มร้อนไม่เป็นสุขหยุกหยิกต่างๆจิตก็ไม่ปรารถนาที่จะอยู่ เหมือนอย่างคนที่นั่งอยู่ในที่ร้อนก็ไม่อยากที่จะนั่งอยู่ก็จะต้องลุกหนีไปคราวนี้เมื่อมาได้ปีติได้สุขจากสมาธิแล้วจิตก็จะกลับมาพอใจในปีติในสุขซึ่งอันนี้แหละ จะให้เกิดผลสองอย่างผลอย่างหนึ่งก็คือว่าจะทําให้จิตนั่งสงบอยู่ในอารมณ์ของสมาธิดีขึ้นเพราะได้ปิติได้สุขผลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าไปติดเข้าปิติสุขนี้เองก็จะกลายเป็น เป็นกลางของสมาธิซึ่งทำให้ติดทำให้หลงเพราะฉะนั้นจึงต้องมีเวทานานุปนัสนาสติปฐานกิจตาอนุปัสนาธรรมานุปัสนาต่อไปซึ่งเป็นการปฏิบัติที่รังงับ ตามในสมาธิหรือความติดในสมาธิความหลงในสมาธิแต่ว่าเอาผลข้อแรกก่อนก็คือว่าปีติสุขนี้เองทำให้จิตนั่งสงบเพราะว่าสบายแล้วเมื่อสบายแล้วก็ไม่ต้องไปไหน อยู่กับที่ความสบายนั้นได้ซึ่งเป็นธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นและเมื่อเป็นดังนี้ก็ยอมจะได้เอกขคตาคือความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวอันหมายความว่าอยู่ตัว กำหนดอยู่ในลมหายใจเข้าออกรู้ว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจ อ, ออกสติที่เป็นตัวความกำหนดอย <masterpiece> 네ู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกสำปชัญญะที่เป็นีรู้ตัวว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกรวมกันอยู่ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออก เพียงเรื่องเดียวไม่ไปไหนอยู่ตัวดังนี้คือเอกขตามีอารมณ์อันเดียวมียอดเป็นอันเดียวไม่แตกกิ่งก้านไปหลายยอดมียอดเป็นอันเดียวมีอารมณ์เป็นอันเดียวอยู่ตัว เป็นสติเป็นสัมปชัญญะที่อยู่ตัวดังนี้ก็เป็นเอกคตาวิตกวิจาร์ปีติสุขเอกคตานี้ที่แข็งแรงก็เป็นปฐมฌานคือความเพ่งที่หนึ่ง ซึ่งภูปฏิบัติสมาธิแม้จะยังไม่ถึงก็จะต้องอาศัยวิตกวิจารปีติสุขไปสู่เอกขตาที่เป็นตัวสมาธิดีขึ้นก็เป็นอุปจารสมาธิดีมากแนบแนบ่นอยู่ตัวก็เป็นอัปนาสมาธิดังนี้เป็นการปฏิบัติตั้งสติ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 ตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาตอรหันตสสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณนะตั้งใจ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 กำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมด้วยวิธีอนุปัสสนาคือดูตามกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นไปเหมือนอย่างพี่เลี้ยง มองตามเด็กที่เลี้ยงซึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าเด็กนั่นจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะทำจะเล่นอะไรอยู่เบื้องหน้าก็ อยู่ในสายตาของพี่เลี้ยงดังนี้เป็นสติที่เรียกว่าอนุปัสสนาดูตามไปเมื่อ ได้สติที่เป็นอนุปัสนาดังนี้ก็ชื่อว่าได้สติปฐานสติตั้งขึ้นในด้านอนุปัสนาคือดูตาม และเมื่อได้ในขั้นอนุปัสนาดังนี้ก็เป็นทางให้ได้ปัญญาที่เป็นวิปัสนาเห็นแจ้งรู้จริงต่อไปและ แม่ปัญญาที่เป็นมีปรสนาดังนี้เป็นตัวปัญญาแต่ก็นับรวมอยู่ในสติปัฏฐานด้วยเพราะมีสติ เป็นเหตุให้ได้ปัญญาดังกล่าวและปัญญาที่เป็นมิปัสนานี้ก็ต้องอาศัยสติกำหนดในอารมณ์ของมิปัสนา คือกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละแต่พระพุทธเจา้าผู้พระบรมศาสด า, า, าได้ตรัสสอนอารมณ์ของวิปัสสนาไว้ยกเอาขันห้า ขึ้นโดยมากคือรู ป, ปขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาสังขาร ข, ข, ขันกองสังขารขันกองสังขารวิญญาณขันกองวิญญาณ พันหานี้ก็เป็นสมมติบัญญัติธรรมในกลุ่มเดียวกันกับกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นสมมติบัญญัติธรรมใน กายที่ยาววานหนาคืบมีสัญญามีใจครองนี้ขันทาก็เป็นสมตทบัญญัติธรรมในกายที่ยาววานหนาคืบมีสัญญามีใจครองนี้เช่น เ, นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่า สมมติบัญญัติธรรมต่างชื่อกันไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นสติจะกำหนดกายเวทนาจิตธรรมดังที่สมมติบัญญัติไว้ ในสติปัฏฐานสี่ดังนี้ก็ได้จะกำหนดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้จะกำหนดย่อลงมาเป็นนามในรูปก็ได้หรือว่าจะกำหนดโดยเป็นอาจตนะ ภายในหกภายในหน้าหกที่คู่กันอยู่ก็ได้แต่ว่าให้กำหนดลงไปที่กายยาววานาคึกมีสัญญามีใจครองนี้นี่แหละไม่ใช่กำหนดที่อื่น กำหนดลงไปนี่เป็นตัวสติคือเมื่อกำหนดดูไปที่อารมณ์ของวิปัสสนาดังกล่าวลักษณะ ที่เป็นทุกขกสักจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ก็ย่อมจะปรากฏขึ้นพระบรมศ า, ศาสดาได้ตรัสสอนไว้ในที่แห่งหนึ่งให้พิจารณาทุกข์ในลักษณะที่ เป็นทุกขทุกขเป็นสังขารทุกข